ความคิดมันไม่ใช่สติมันไม่ใช่ความคิดสติมันเป็นเรื่องของความรู้โดยไม่ต้องคิดและลึกรู้โดยที่ไม่ต้องเจต น, นาอย่างเวลาเราทำงานแล้ ว, ลวเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนะนัดคนเอาไว้เนี่ยไอตอนที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจา ก, จากเจตานามันเกิดขึ้นเองความรูลึกได้มันเกิดขึ้นเอ ง, เเองแต่เกิดขึ้นเองไม่ได้หมายความว่าฝึกไม่ได้มันฝึกได้จากการที่รึกบ่อยๆราลึกบ่อยๆเหมือนกับเราจะท่องจำคศัพท์ะ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 เร ล, ลึกรู้ในความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวก็ยังรับรู้อยู่ครูบาอาจารยบางท่านเช่ทนท่านอาจารย์ปราโมชก็ใช้คําว่าให้ให้รู้กายเคลื่อนไหวเป็นแบ็กกราวเป็นแบ็กกราวคือว่ามันมันบางๆคือรู้รู้กายแต่ก็ยังรู้ภายนอกได้แต่ถ้าเราไปเพลงเนี่ยจิตมันจะปิดลับเลยนะมันจะไม่รับรู้ภายนอกเท่าไหร่มันจะไปจดอยู่ที่กายรับเพ่งจีเข้าไป